กฎที่8เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาซึ่งหมายถึงความดิ้นรนทยานอยากที่ไม่จบสิน้นตัณหากระหายอยากได้อารมณ์ที่ยังไม่ได้และอยากได้อารมณ์ที่มีแล้วให้มากขึ้นไปอีกตัณหาเป็นเหมือนความหิวกระหายที่ไม่รู้จักอิ่ม ไม่ว่าจะได้รับอารมณ์ที่ปรารถนามาแล้วมากเพียงใดก็ยังต้องการได้รับให้มากยิ่งขึ้นอีกดังนั้นเทวดาตนหนึ่งจึงกล่าวว่าเหล่าเทวดาที่ไม่ต่างกับพวกเปรตเปรตจะมีความหิวกระหายอยู่เสมอเพราะขาดอาหารและน้ำดื่มส่วนเทวดาก็หิวอยู่เสมอแม้ว่าจะพรั่งพร้อมไปด้วยกามสุข ทุกชนิดก็ตามคำกล่าวนี้มีเหตุผลมากเพราะแม้เทวดาในชั้นดาวดึงจะมีอายุยืนยาวเท่ากับสามโกดหกล้านปีมนุษย์และยิ่งในเทวภูมิที่สูงขึ้นคือชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมิต ว, วัสวัตดีเทวดาก็ยิ่งมีอายุยืนยาวขึ้นอีกชั้นละสีเท่าทวีคูณ โดยจะได้เสวยสุขอย่างยอดเยี่ยมตลอดอายุอันยาวนานยิ่งแต่ก็ยังไม่รู้จักพอเพราะยังมีตัญหาทำให้ไม่รู้จักอิ่มแม้ในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันพวกยาจกเข็นใจก็ยังขวนขวายหาความสุขเท่าที่จะทำได้แต่เพราะความยากจนจึงไม่สามารถหาเครื่องบำรุงสุขได้เท่าที่ใจปรารถนา ส่วนพวกที่ร่ำรวยถึงแม้จะเป็นเศรษฐีหรือมีตำแหน่งหน้าที่มีเกียรติมียศในวงสังคมก็ยังไม่ได้ทุกสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งนี้เนื่องมาจากธรรมชาติของตัญหาซึ่งไม่รู้จักอิ่มยิ่งได้มากเพียงใดก็ยิ่งกระหายอยากได้มากเพิ่มขึ้นเพียงนั้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนร่ำรวย ตัณหายิ่งทำให้เกิดความดิ้นรนทยานอยากมากกว่าในกลุ่มคนยากจนดังจะเห็นได้จากคนในประเทศร่ำรวยที่มักมีความต้องการมากกว่าคนในประเทศยากจนตัณหา6ปตัณหาไม่เคยรู้สึกเบือ่อที่ได้เห็นรูปที่สวยงาม เห็นบุรุษหรือสตรีที่ตนพอใจตันหาขวนขวายดิ้นรนที่จะได้ฟังเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมอาหารที่อร่อยนอกจากนี้ยังต้องการผดพารมที่น่าพอใจและชอบคิดเรื่องราวที่เพลิดเพลินเจริญใจที่จริงแล้วตันหาดิ้นรนทยานอยากที่จะได้ประสาทรูปหคือจักขูประสาท สตรประสาทเป็นต้นตลอดจนสุขขุมรูปอันเป็นรูปละเอียดมีอาโปธาตเป็นต้นกับทั้งเจตสิกต่างๆและสมมุติบัญญัติที่เป็นทั้งรูปร่างสันฐานอัฐถบัญญตัติและคำสื่อความหมายนามบัญญตัติจะเห็นได้ว่าคนทั่วไปต้องการภาษาทรูปที่ดี เพราะต้องการเห็นได้ยินหรือสัมผัสกับอารมณ์ที่ชัดเจนแสวงหาอาโปธาต์เพราะต้องการให้ปากคอและผิวหนังชุ่มชื้นอยู่เสมอมีความพอใจในเพศของตนและในเพศตรงกันข้ามจึงเกิดความต้องการบริสภาวะรูปและอิทธีภาวะรูปต้องการมีอายุยืนและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งหมายถึงความต้องการชีวิตรูปและกายละหุตาความเบาทางกายที่ดีเป็นต้นนอกจากนี้บางคนยังต้องการมีความสุขมีความจาดีมีปัญญาเฉียบแหลมหมายถึงความต้องการเจตสิกที่ดีทั้งมีความพอใจในรูปร่างของตนและเพศตรงข้าม ตลอดจนความต้องการที่จะได้รับคำยกย่องสารเสริญหรือชื่อเสียงเกียรติยศแสดงถึงความต้องการสิ่งซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติอารมณ์6เป็นเหตุให้เกิดตัณหาทั้ง6กอย่างซึ่งอาจรวมถึงความทยานอยากในอารมณ์ที่น่าพอใจเท่านั้นแต่หากประกอบด้วยความหลงผิดเช่นเห็นว่าอารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวร ก็จัดเป็นภาวะตัณหาคือตัณหาที่ประกอบด้วยสัตตตทิฏฐิซึ่งเชื่อว่ามีตัวตนที่คงอยู่ตลอดไปหากเป็นตัญหาที่ประกอบด้วยอุเชททิฏฐิที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลยึดมั่นผูกพันในกามสุขมากเกินไปก็จัดเป็นวิภวะตัณหาดังนั้นตัณหาหกที่เกิดจากอารมหก คูณด้วยตัญหาสามชนิดกรมตัญหาภาวตัญหาและวิภวตัญหาจึงรวมเป็นตัญหา18นอกจากนี้ยังจำแนกเป็นภายในและภายนอกจึงรวมเป็นตัญหาสามและเมื่อจำแนกตามการ3คือปัจจุบันอดีตและอนาคตรวมทั้งสิ้นเป็นตัญหาร้อยแปชนิดแต่ ตันหาทุกชนิดที่กล่าวมาย่อมสรุปลงได้เป็นสมอย่างคือกามตันหาภวตันหาและวิภวะตันหาการที่เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาเช่นบุคคลที่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาย่อมอยากได้อารมณ์ที่ดี ผู้ที่เจ็บปวดย่อมดิ้นรนพยายามเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนั้นในคำพีอธิกถากราวว่าผู้ที่ได้รับความทุกข์ย่อมกระหายอยากได้รับความสุขคนที่มีความสุขแล้วย่อมต้องการที่จะมีสุขให้มากขึ้นไปอีกกราวคือคนทั่วไปมักแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานความยากจน รวมถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่น่าปรารถนาแต่พยายามทำให้จิตเป็นอิสระจากความคิดที่ทำให้ไม่สบายใจจากความวิตกกังวลเรื่องอาหารเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยแต่เมื่อได้รับสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มักจะต้องการสิ่งอื่นต่อไปอีก เนื่องจากตัณหามีสภาพไม่รู้จักพอจึงปรารถนาจะรื่นรมกับสิ่งดีๆในชีวิตอยู่เสมอและปรารถนาจะมีทรัพย์ให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นตัณหาเป็นความต้องการที่ไม่มีวันจบเพราะมีเวทนาที่รู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันมีฐานะร่ำรวยแล้วมักไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อขยายธุรกิจให้ใหญ่โตยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็มีหนี้สินท่วมตัวนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาที่โลภมากไม่มีวันพอส่วนตัญหาที่เกิดจากอุเบกขาเวทนานั้นพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่า เป็นความรู้สึกที่คล้ายกับสุขเวทนาเพราะมีสภาพสงบละเอียดอ่อนเมื่อกระทบสัมผัสกับอารมณ์ทั่วทั่วไปในชีวิตประจำวันความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบย่อมไม่ปรากฏชัดเจนแต่เนื่องจากอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนจึงจัดว่านับเข้าในสุขเวทนา ดังนั้นจึงทําให้คนเรากระหายอยากได้สุขเวทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความไม่พึงพอใจในอารมณ์ธรรมดาที่เป็นกลางแต่ปรารถนาจะได้อารมณ์ที่ดีมากขึ้นเช่นอาหารที่อร่อยขึ้นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตยิ่งขึ้นหรือความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นกล่าวโดยสรุป อารมณ์ที่น่าพอใจก่อให้เกิดความยึดมั่นและต้องการอารมณ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกส่วนอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก่อให้เกิดความต้องการที่จะกําจัดให้พ้นไปและอารมณ์ที่เป็นกลางย่อมก่อให้เกิดความต้องการที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าโดยทําให้ไม่พึงพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมดนี้แสดงถึงการที่เวทนาเป็นปัจจัย ให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ในวัฏฏะสงสารในขณะที่มีการเห็นเกิดขึ้นจะขู่วิญญาณย่อมเกิดพร้อมกับด้วยนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนา สำหรับคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสเวทนาย่อมก่อให้เกิดตัณหาและตัณหาย่อมก่อให้เกิดอุปทานความยึดมั่นที่เป็นเหตุให้เขาพยายามกระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมภพเมื่อกรรมภพได้รับปัจจัยที่เหมาะสมย่อมเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นเหตุให้มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศก และความทุกกายทุกใจอย่างอื่นๆตามมาตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ในวัฏฏสงสารเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในภพใหม่ย่อมมีนามรูปอยัยตนะผัสสะและเวทนาเกิดขึ้นพร้อมกันโดยไม่มีผู้ใดาสามารถยับยั้งได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ยังมีสุขมีทุกข์และมีอุเบกขาเวทนาเมื่อสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆถ้าเหล่านั้นย่อมรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกโรคภัยเบียดเบียนแต่ท่านจะไม่ทุกข์ทางใจและไม่รู้สึกยินดีเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเพราะท่านพ้นแล้วจากความทยานอยากและความยึดมั่นถือมั่น จึงไม่ดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ที่น่าพอใจต่างๆและเนื่องจากการกระทำของท่านไม่เป็นกรรมที่ให้ผลเป็นปฏิสนธิท่านจึงหลุดพ้นจากการเกิดใหม่ที่เป็นเหตุให้เกิดมีนามรูปและเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายและพระอรหันต์ที่ละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า เพราะความดับอย่างไม่มีเหลือของตัณหานั้นด้วยมรรคยานอันประเสริฐอุปทานจึงดับดังนี้เป็นต้นการประสบกับความรู้สึกซึ่งพอใจหรือไม่พอใจทำให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหรันต้องมีความดิ้นรนทยานอยากจะได้สิ่งที่ดีในชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลต่อบุคคลที่จเจริญอรยิยมรรค และได้บรรลุมรคผลไปตามลำดับจนสำเร็จอรหัตผลปุตุชนทั่วไปอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าความติดใจในกรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายไม่มีในพระอรหันต์ไม่ว่าจะดีเลิศเพียงใดเหมือนบัวที่อยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำนอกจากนั้น ท่านยังไม่สนใจกับความสุขสบายต่างๆดังนั้นท่านจึงเป็นอิสระจากตัณหาและอุปทานซึ่งหมายถึงความดับอย่างสิ้นเชิงของสังขารและกรรมจึงหลุดพ้นจากการเกิดใหม่และทุกทั้งปวงที่มีชาติเป็นปัจจัยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะอุปทานดับกรรมภพจึงดับเมื่อภพดับชาติจึงดับ เมื่อชาติดับชรามรณะและความเศร้าโศกเป็นต้นจึงดับไปด้วยทุกดับเพราะตัณหาดับเมื่อตัณหาถูกประหารให้สิ้นไปด้วยมรรยาทแล้วธรรมเป็นผลของตัณหาทั้งหมดก็ถูกประหารให้หมดไป จึงหมายความถึงความดับของความทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความสุขหรือสัตว์โลกได้อันตรธานหายไปแต่หมายความว่ากระบวนการเกิดขึ้นของนามรูปซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ได้สิ้นสุดลงเท่านั้นมรรคญาณมีกำลังประหารกิเลสตัณหาได้ตามลาดับดังนี้อรหัตตมรรคจะประหารตัณหาได้อย่างไม่มีเหลือ พระอาหารหันต์จึงดับทุกข์มีความเกิดเป็นต้นในสังสารวัตรได้สนิทเหมือนเปลวไฟดับไปโดยไม่มีเชื้ออนาคามิมักจะประหารกามฉันทะพร้อมทั้งตัณหาที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในกามภูมิจึงเป็นการข้ามพ้นจักชราเป็นต้นสำหรับผู้ที่บรรลุโสดาปติมกักจะแน่ใจได้ว่าตัณหาที่ชักนาให้ไปเกิดในอบายพรม จะทำให้เกิดมากกว่าเจ็ดชาตินั้นได้ถูกประหารไปแล้วอริยบุคคลระดับโสดาบันจึงหลุดพ้นจากทุก์ในอบายภูมิและจากการเกิดในกามสุขติภูมิเกินกว่าเจ็ดชาติดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อตัญหาเบาบางลงความทุกข์ก็น้อยลงด้วยซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิจจสมุปบาท วิปัสสนาปัญญาก็สามารถประหารปัญหาได้เช่นเดียวกันแต่จะประหารได้ชั่วคราวเรียกว่าตัทางค่าประหานะเนื่องจากการกระทบสัมผัสกับอารมณ์หยย่อมทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจหากขาดการกาหนดรู้ด้วยวิปัสสนาความพอใจหรือไม่พอใจนั้นย่อมก่อให้เกิดปัญหาและอุปทานเป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดดังนั้นช่วงต่อระหว่างผัสสะกับเวทนาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะนำไปสู่การเพิ่มพูนหรือขจัดตัณหาอันเป็นหนทางแห่งวัฏฏะหรือวิวัตต่อไปหากผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติจนบรร ล, ลุวิปัสสนาปัญญาแล้วย่อมจะเห็นว่ามีเพียงสภาวธรรมที่เกิดดับอยู่เป็นนิส ไม่คงทนเที่ยงแท้เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนอกจากนี้ยังเห็นว่าความรู้สึกพอใจและไม่พอใจก็เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงไม่ยินดีในเวทนาที่เกิดขึ้นและไม่ดิ้นรนพยายามให้ได้เวทนาอย่างอื่นด้วยในขณะนั้นเองเป็นอิสระจากอำนาจของตัญหา การดับตัณหาด้วยมรรคญานนั้นต่างจากการดับด้วยวิปัสสนามรรคญานจะดับตัณหาได้อย่างถาวรเป็นสมุดเฉทปหานะและละตัณหาได้ในอารมณ์ทั้งหมดแต่วิปัสนาสามารถละตัณหาได้เพียงชั่วคราวและไม่ทั่วไปในอารมณ์ทั้งหมดกล่าวคือวิปัสนาละตัณหาได้ในอารมณ์ที่กําหนดรู้ และในขณะที่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นดังนั้นการละตันหาด้วยวิปัสนาจึงเรียกว่าตัดทางคนิพพุติการละกิเลสได้บางส่วนหรือชั่วงขณะผู้ที่เจริญกำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันย่อมสักแต่เห็นสักแต่ได้ยินโดยไม่เปิดโอกาสให้ตันหาแทรกซ้อนเข้ามาได้เลยดังนั้นอุปทานกรรมและชาติเป็นต้น จึงเป็นผลของปัญหาซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือการดับของตัญหาเป็นเหตุให้วงจรของสังสารวัตถูกตัดขาดไปบางส่วนกระบวนการเช่นนี้เรียกว่าตัดทางคะนิพุติสรุปความว่าการดับตัญหาด้วยวิปัสนาชื่อว่าตัดทางคะนิพุติเป็นการดับชั่วคราวและบางส่วนเท่านั้นการดับตัญหาด้วยอรหัตตมรักเรียกว่า สมุดเฉทันนิพุติเป็นการดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเรื่องพระมหาติสะเถระในประเทศลังกามีพระพิสุรูปหนึ่งชื่อพระมหาติสะเถระพำนักอยู่ในวัดป่าหน้าภูเขาไมหินทะ ได้เอาชนะตันหาด้วยการเจริญสมถะและวิปัสนาโดยเรื่องมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งท่านออกจากที่สำนักในป่าไปบินทบาทในกรุงอนุราธะในระหว่างท่านเดินสวนทางกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะทะเลาะ ก, กับสามีแล้วออกจากบ้านมาหญิงนั้นเมื่อเห็นพระเถระก็ส่งเสียงัวเร่ยุ่วยวนแต่พระเถระเห็นเพียงกระดูกฟันของนาง เนื่องจากขณะนั้นท่านกำลังเจริญอธิกรรมฐานที่เพ่งกระดูร่างกายหญิงนั้นจึงปรากฏเป็นโครงกระดูพระเถระเพ่งนิมิตนั้นจนบรรลุญาณแล้วใช้ญาณเป็นบาทฐานเพื่อเจริญวิปัสนาจนได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระเถระเดินต่อไปก็ได้พบสามีของหญิงนั้นเขาถามท่านว่าพระคุณเจ้าขอรับ ท่านได้เห็นหญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเถระตอบว่าได้เห็นอะไรบางอย่างแต่ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายเพราะเห็นแต่เพียงโครงกระดูกผ่านไปการที่พระเถระได้เห็นเพียงฟันของหญิงนั้นแล้วยกขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานและเห็นร่างกายของนางเป็นโครงกระดูเพราะท่านได้เจริญอัติกรรมฐานแล้วจนช่ำชอง ดังนั้นในจิตของท่านจึงไม่มีที่กิเลสได้ก่อเกิดขึ้นและเมื่อท่านได้ทำฌานและเมื่อท่านได้ทำฌานให้เป็นบาตรของวิปัสสนาต่อจากนั้นท่านจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลส ท, ทั้งมวลถ้าพระมหาติสเถระไม่ได้พิจารณาเห็นหญิงที่หัวเราะนั้นเป็นเพียงโครงกระดู จิตท่านก็อาจจะเกิดการาคะและพ่ายแพ้แก่ความเย้ยยวนของกิเลสเมื่อกลับไปอยู่ตามลำพังในป่าถึงท่านจะไม่มีกามรมาคะในขณะเห็นแต่จักุสัมผัสที่เกิดขึ้นนั้นอาจนอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตกลายเป็นกิเลสที่โคจรตีท่านได้ในภายหลังแต่ด้วยการเจริญอัติกรรมฐานและวิปัสสนา จึงทําให้เอาชนะกิเลสตัณหาและบรรลุ ถ, ถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏะสงสารได้ตามสาโทข้างต้นนี้ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอาจสงสัยว่าการได้เห็นกระดูกฟันจะทําให้เกิดนิมิตเป็นโครงกระดูกได้อย่างไรถ้าไม่เคยอบรมจิตเจริญภาวนามาก่อนก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งการตรึกนึกคิดอย่างเดียว โดยไม่ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมจะไม่อาจก่อให้เกิดนิมิตได้เพราะการอบรมสมถกรรมฐานจนเกิดนิมิตต่างๆนั้นต้องอาศัยการเพ่งจิตอย่างแน่วแน่และต่อเนื่องเป็นเวลานานตลอดจนต้องอาศัยสัญญาที่มีกําลังเพียงพอเพื่อให้เกิดนิมิตทั้งยังต้องหมั่นปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําอีกจนคล่องแคล่ว จึงจะช่วยให้เกิดนิมิตที่ต้องการได้ชัดเจนอานุภาพของการอบรมจิตนี้สามารถเกิดได้แม้กับนกแขกเต้าดังสาธกในคำพีอัตกรตาของสติปัฏฐานสูตรเรื่องนกแขกเต้าครั้งหนึ่ง ได้มีหญิงนักฟ้อนรา ม, มาพำนักค้างคืนที่สำนักภิกษุณีเมื่อจากไปได้ลืมนกแขกเต้าไว้พวกสามเณรีได้ช่วยกันเลี้ยงไว้และตั้งชื่อให้ว่าพุทธรักิตะพระมหาเถรีเจ้าสำนักดำริว่าควรสอนให้นกเจริญกรรมฐานเนื่องจากอาศัยอยู่ในสำนักผู้ปฏิบัติธรรมท่านจึงสอนนกให้ภาวนาว่า อัฐิอัฐิกระดู ก, กระดูเก้าวันหนึ่งนกแขกเต้าถูกเยี่ยวโฉบจับไปเหล่าสัมมเนรีเห็นข้าวก็พากันส่งเสียงร้องและวิ่งตามไปเยี่ยวตกใจจึงปล่อยนกแขกเต้าเมื่อเหล่าสัมมเนรีได้พานกไปหาพระมหาเถรีท่านได้ถามนกว่าเจ้าได้คิดอะไรในขณะที่ถูกเยี่ยวโฉบไปนกตอบว่า ข้าพเจ้าคิดอยู่แต่ว่าโครงกระดูกกำลังถูกโครงกระดูกพาไปสงสัยว่าจะไปเรียราดอยู่ที่ไหนพระมหาเถรีจึงอนุโมทนาสาธุการว่าสาธุดีแล้วการภาวนานี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นของกองทุกข์ในภายหน้าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอๆนั้น ในระยะยาวจะทำให้สิ่งนั้นประทับอยู่ในจิตแม้แต่นกแขกเต้ายังสามารถพิจารณาโครงกระดูกให้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้จึงไม่มีเหตุผลเลยอะไรที่มนุษย์จะทำอย่างนั้นไม่ได้สาเหตุจากนกแขกเต้าได้จินตนาการว่าตัวมันและเหี่ยวเป็นเพียงโครงกระดูจึงทำให้ไม่มีความกลัวความโกรธหรือความกังวลเมื่อถูกจับไป ดังนั้นสติปัฏฐานภาวนาจึงได้รับการสรรเสริญว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เอาชนะความเศร้าโศกและความกังวลนำมาซึ่งความดับทุกข์ทั้งทางใจและทางกายในปัจจุบันมีคนมากมายที่เทียบกับนกแขกเต้าตัวนั้นไม่ได้เพราะไม่เคยสนใจพระธรรมคำสอนหรือการปฏิบัติธรรม การดับตัณหาด้วยการเจริญภาวนาเมื่อตัณหาซึ่งเป็นผลของเวทนาได้ถูกดับไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอุปทานก็ย่อมดับไปด้วยซึ่งหมายความว่าธรรมที่มีตัณหาเป็นปัจจัยย่อมดับลงทั้งหมดการอย่างรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาของรูปนามด้วยวิปัสสนาปัญญาจะเป็นหลักประกันว่า ตัณหาอุปทานกรรมและชาติเป็นต้นได้ดับไปบางส่วนแท้จริงแล้วการเจริญวิปัสสนานั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้หลุดพ้นจากตัณหาและทุกข์ในวัฏฏะสงสารดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นอย่างแท้จริงจึงควรให้ความสำคัญอย่างที่สุดในการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะมิฉนั้นแล้วความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นในทุกขณะที่มีการเห็น การได้ยินเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปทานกรรมและการเกิดใหม่อย่างแน่นอนวิญญาณาจิตที่เกิดขึ้นทุกขณะที่มีการเห็นนั้นเป็นผลของอวิชชาและสังขารในภพก่อนการเกิดพร้อมด้วยวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาในพระไตรปิฎกได้จำแนกองค์ธรรมแต่ละอย่างไว้ เฉพาะและแยกกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลตามหลักปฏิจจสมุปบาทแต่ความเป็นจริงทาเหล่านี้ไม่ได้เกิดต่อกันทีละอย่างเมื่อวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นโดยมีสังขารเป็นปัจจัยย่อมเกิดพร้อมด้วยนามรูปอายตนะภาษและเวทนาที่เกี่ยวข้องกันองค์ธรรมทั้งหมดนี้เป็นผลของกรรมสังขารในอดีต ซึ่งเรียกตามศัพท์ว่าวิปากวัฏหมายถึงวนเวียนแห่งวิบากส่วนกิเลสวัฏคือวนเวียนแห่งกิเลสได้แก่อวิชชาตันหาและอุปทานซึ่งทําให้เกิดกรรมวัฏหรือวนเวียนเป็นกรรมได้แก่กรรมและสังขารซึ่งนําไปสู่วนเวียนแห่งวิบากได้แก่วิญญาณ น, นามรูป อายตนะผัสสะและเวทนาอันนําไปสู่วนเวียนกิเลสสืบต่อกันไปอย่างนี้การปรากฏขึ้นของธรรมที่เป็นผลห้าอย่างในขณะเห็นนั้นส่วนคนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นเพียงการเห็นเท่านั้นแต่แท้ที่จริงการเห็นเป็นสภาวะธรรมที่เป็นองค์รวมของวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะ และเวทนาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอย่างอื่นๆเช่นการได้ยินการได้กลิ่นเป็นต้นการเห็นนั้นประกอบด้วยสภาวะธรรมที่เป็นนามรูปซึ่งประกอบด้วยจิตและเจตสิกอันได้แก่การใส่ใจมนสิการความตั้งใจเป็นต้นพร้อมทั้งรูปคือดวงตานอกจากนั้นประกอบด้วยอายตนะสีได้แก่ จักขายตนะอันเป็นเครื่องมือในการเห็นรูปรูปายตนะอันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นมานายตนะอันเป็นสภาวะเห็นและธรรมายตนะมีมนสิการเป็นต้นอีกทั้งการเห็นที่มีการกระทบกับรูปารม์จัดเป็นภาษะและประกอบด้วยความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจที่เป็นผลของการกระทบกับรูปารมณ์อันจัดเป็นเวทนาดังนั้นธรรมที่เป็นผลห้าอย่างคือวิญญาณ น, นามรูปอยายตนะผัสสะและเวทนาย่อมเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมีการเห็นส่วนการได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นก็เป็นไปโดยในเดียวกัน การกำจัดต้นเหตุคือตัณหาสภาวธรรมคือรูปนามดังกล่าวที่เป็นผลห้าอย่างซึ่งเกิดดับต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบนี้เรียกตามสมมุติบัญญัติว่ามนุษย์เทวดาหรือสัตว์โลกแต่ความจริงเป็นอง์รวมของรูปนามที่ประกอบด้วยสภาวธรรมห้าอย่างเท่านั้นไม่มีตัวตนอันเป็นแกนสารที่เที่ยงแท้ ถาวร อ, อยู่ภายในสิ่งที่เรียกกันว่ามนุษย์เทวดาหรือสัตว์โลกแต่เป็นการเกิดดับของรูปนามที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติกำหนดรู้อยู่เช่นนี้ย่อมดับตัณหาอุปาทานกรรมและทุกข์ซึ่งล้วนเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเวทนาทั้งสิน้นพ้นทางที่นำไปสู่ความดับของวงจรชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือการตัดที่ต้นตอซึ่งได้แก่ตัญหาที่มีเวทนาเป็นปัจจัยและในการป้องกันมิให้เกิดตัญหาที่เป็นผลของเวทนาในขณะที่เห็นเป็นต้นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงใส่ใจกับสภาวธรรมที่เกิดเมื่อมีการกระทบของอารมณ์6ได้แก่รูปอารมณ์ศัทธารมณ์เป็นต้นในบรรดาอารมณ์ทั้งหนี้ อารมณ์ที่เกิดปรากฏชัดมากที่สุดก็คือโผฏฐพารม์ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ดังนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ควรเริ่มปฏิบัติด้วยการกำหนดรู้โผฏฐพารม์การปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับคำสอนในสติปัฏฐานสูตรที่ว่าคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติเมื่อเดินย่อมรู้ว่าเดินอยู่ ปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดรู้ด้วยการบริกรรมในใจว่าเดินหนอเดินหนอและย่อมเจริญสติกำนดรู้ในขณะยืนนอนเหยียดคูหรือทำกิจกรรมอื่นเมื่อไม่มีสภาวะเคลื่อนไหวที่ปรากฏชัดก็พึงกำหนดรู้ความพองยุบของท้องนอกจากนั้นเมื่อมีสภาวะธรรมทางจิตเช่น การคิดนึกหรือความรู้สึกเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรกำหนดรู้สภาวะธรรมนั้นกล่าวโดยสรุปคือจะต้องมีสติอยู่กับสภาวะธรรมทางกายและใจที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้งหกเมื่อสมาธิพัฒนาแก่กล้าขึ้นสติจะพัฒนาสู่วิปัสนาปัญญาที่อย่างเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา ตัญหาจึงไม่มีโอกาสเกิดแทรกขึ้นได้และเมื่อปัญหาถูกกำจัดไปแล้วก็หมายถึงการดับของอุปทานตลอดไปถึงการเกิดใหม่และกองทุกข์ทั้งมวลด้วยวิธีนี้หนทางสู่ความดับของวัฏฏสงสารหรือวนเวียนของชีวิตด้วยการกำจัดต้นเหตุอันได้แก่ตัญหานั่นเอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องจักรมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าไม่รู้วิธีการส่วนผู้ที่รู้ก็จะสามารถสั่งให้เครื่องทำงานได้โดยเพียงกดปุ่มที่ถูกต้องหลักการในปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันตัวต้นเหตุสําคัญที่ทำให้วงจรชีวิตหมุนเวียนเรื่อยไปนั้นก็คือตัณหาซึ่งมีเวทนาเป็นปัจจัย แต่เวทนาจะต้องประกอบด้วยกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตซึ่งเรียกว่าอนุใสสองประเภทคือ 1. สัตต า, านุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในกระแสจิตอารมณานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่ได้กําหนดรู้อนุสัยทั้งสองนี้เป็นเครื่องอุปธรรมจึงจะทําให้ตัณหาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นพระอาหารหันจึงไม่มีตัณหาถึงแม้จะยังมีเวทนาอยู่ก็ตามเพราะท่านได้ละอนุสัยกิเลสสองอย่างนี้โดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อดับตัณหาได้หมดการทำกรรมใหม่ย่อมไม่มีและกรรมเก่าย่อมกลายเป็นอโหสิ ก, กรรมที่หมดโอกาสให้ผลปฏิสนธิอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เมื่อพระอาหารหันดับขันนิพพานแล้ว จึงไม่มีการเกิดอีกสำหรับปุถุชนธรรมดายังมีกิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตเมื่อได้รับปัจจัยที่เหมาะสมก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางรบกวนจิตใจกิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิตนี้อาจฟุ่งขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธและความหลงตลอดจนความชั่วอื่นๆ ในกรณีที่บุคคลขาดการกำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงจะทำให้หลงผิดว่ารูปนามเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นสุกและมีตัวตนส่วนอา ร, รมณนานุสัยจะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อมีการกระทบอารมณ์โดยขาดการกำหนดรู้ด้วยวิปัสสนาปัญญา กิเลสและการไม่สัมรวมสติความโลภและความโกรธเป็นต้นจัดเป็นกิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นมาอารมณานุสัยที่ฟุ้งขึ้นมาเมื่อเราเห็นหรือได้ยินทําให้คิดว่าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นเที่ยงแท้สวยงามหรือน่าเกลียดเมื่อนึกถึงภาพเหล่านี้ในภายหลังย่อมทําให้เกิดความโลภความโกรธหรือความหลงตามมา โลภะเป็นคำวัยพน์ของตัณหาโลภะเกิดเพราะมีสุขเวทนาเป็นปัจจัยแต่ทุกขเวทนาก็อาจเป็นเหตุให้เกิดโลภะได้เช่นกันเพราะทุกขเวทนาทำให้เราดิ้นรนและอยากได้เวทนาที่ดีขึ้นโมหะก็อาจจะชักนำให้เกิดโลภะเช่นความพอใจติดใจและความทยานอยากได้ ดังนั้นโลภะโทสะและโมหะจึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดตัณหาพร้อมด้วยทุกในวัฏฏะสงสารที่เป็นผลของตัณหาหนทางเดียวที่จะป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหาและความติดใจยอยากได้อารมณ์ที่พึงพอใจก็คือการเจริญสติกำหนดรู้ทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินเป็นต้น เพื่อไม่ให้ตันหาเข้าครอบงามและชักนำไปสู่ความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในภพหน้าในโมราชาดกพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นนกยูงทองที่แคล้วกลาดจากบ่วงของนายพลานตลอดเจ0รอปีเพราะได้ไร้มนสัทยาคยาถาในช่วงเวลาเช้าก่อนออกสแสวงหาอาหารและเวลาก่อนนอนวันหนึ่ง นายพรานได้นำนางนกยุงมาล่อเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงนางนกยุงก็ลืมสาทยายมนจึงเข้าไปติดบ่วงที่นายพรานวางดักไว้อีกครั้งหนึ่งในกรุงพราณสีมีนักดีดพินชื่อคุตติละได้หลงรักหญิงคนหนึ่งแต่กลับถูกนางเยื่ยยันในตอนค่ำวันหนึ่งเขาได้ไปที่หน้าบ้านหญิงนั้นแล้วดีดพินพร้อมกับขับร้อง เพลงครอไปด้วยนางเกิดความลหลงไหลในความไพเราะของเสียงเพลงจึงวิ่งออกมาจากบ้านอย่างเร่งรีบทำให้ตกลงมาเสียชีวิตในสาทกทั้งสองเรื่องนี้เรื่องแรกเป็นเสียงเพศหญิงเรื่องหลังเป็นเสียงเพศ ช, ชายต่างนํามาซึ่งความทุกข์และความตายแม้จะยอมรับว่าเสียงที่ได้ยินไม่คงทนถาวร เสียงที่เราได้ยินทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วแต่เราก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรีเพราะไม่เห็นความเกิดดับของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่หากกาหนดรู้ทุกครั้งที่ได้ยินว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเราจะเห็นความไม่เที่ยงของเสียงและป้องกันไม่ให้ความพอใจก่อตัวขึ้น เป็นตัญหาได้ส่งผลให้อุปทานและกองทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันการเจริญสติในขณะรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษผู้ที่ไม่มีสตินั้นเมื่อรับประทานอาหารอร่อยก็จะเกิดติดใจในรสอาหารและอยากจะรับประทานอาหารอีกในวันข้างหน้าและพบชาติข้างหน้า ปัญหาในอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกใจนั้นมีกำลังมากอาจชักนาให้ไปเกิดในภพที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารหยาบดังที่กล่าวไว้ในพารบันดิตสูตรว่าบุคคลที่ทำบาเพราะความพอใจในอาหารที่ดีนั้นต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าใบไม้และอุจจระเป็นอาหารอย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยก็อาจทำให้อยากได้รับประทานอาหารมีรสดีผู้ปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นต้องกําหนดรู้สภาวะธรรมทุกอย่างการเคลื่อนไหวมือและปากทุกครั้งตลอดจนความรู้สึกทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในขณะรับประทานอาหารหากมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรม จะได้รับรู้ความดับไปของการกระทาและความรู้สึกทุกอย่างของตนทำให้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอันเป็นวิปัสสนาที่นำไปสู่ความดับของตัณหาและกองทุกทั้งหลายโพธัพารมและธรรมารม ผดถับมารมเกิดได้ตลอดเวลาในทุกส่วนของร่างกายธรรมารมก็มีอยู่ตลอดเวลาเช่นกันยกเว้นเวลาหลับสนิทดังนั้นผดถับพารมและธรรมารมจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาได้เกือบตลอดเวลาผู้ปฏิบัติธรรมพึงกาหนดรู้ผดถับพารมเมื่อไม่มีอารมณ์อื่นที่ชัดกว่ามาปรากฏ และพึงกาหนดรู้ธรรมารมทุกครั้งเมื่อมีการคิดไม่ว่าเรื่องที่คิดนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามผู้ปฏิบัติใหม่มักจะมีความฟุ้งซ่านมารบกวนเสมอแต่ความฟุ้งซ่านจะหมดไปเองเมื่อได้พัฒนาสติและสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นบางครั้งอาจนึกถึงข้อธรรมบางประการก็พึงกาหนดรู้สภาวะคิด ฟุงสซ่านนั้นด้วยการกําหนดรู้ความคิดฟุงสซ่านจะทําให้เกิดวิปาาัสนาญาณที่ยังเห็นความไม่เที่ยงและนําไปสู่ความดับทุกข์ได้เช่นกันหลักการปฏิบัติวิปัสสนามีความเกี่ยวโยงและข้องเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทเนื่องจากหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงการเชื่อมต่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลของธรรมต่างๆ แล้ววัตถุประสงค์ของการปฏิบัติวิปัสนาคือเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นผลของปัจจัยต่างๆตามหลักปฏิจจสมุปบาทดังนั้นจึงควรเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสนาที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเรื่องนั้นเช่นเมกา ว, ว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยใหเกิดสังขารและสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ ผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้และเข้าใจวิธีกําจัดอวิชชาอันเป็นต้นเหตุและเมื่อกล่าวว่าวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาเป็นต้นเป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์ก็จะเข้าใจได้ว่าจําเป็นต้องตัดสายโซ่ที่เชื่อมระหว่างเวทนาและตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหาสามชนิดทุกครั้งที่มีเวทนาเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆหากไม่กำหนดรู้อย่างถูกต้องเวทนาย่อมเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาชนิดหนึ่งในสามชนิดคือการมัตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาการมัตัณหาคือความยินดีพอใจในกรรมคุลอารมณ์เป็นตัณหาที่มีทั่วไป ในหล่าสัตว์ผู้อยู่ในกามภูมเพราวะว่าตัณหาคือตัณหาที่ประกอบด้วยสัตสตักทิฏฐิซึ่งเชื่อว่าสัตว์โลกมีอัตราตัวตนถาวรแม้ร่างกายจะแตกสลายไปอัตราที่ยังคงอยู่เป็นเนิ้วรันไม่สูญไปความเชื่อนี้ไม่ได้แพร่หลายและไม่ฝังรากในหมู่พุทธศาสนิกชน หากเกิดในหมู่ชนอื่นอาจมีความยึดมั่นในความเชื่อนี้มากจนเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นทางจิตใจวิปะวะตัญหาคือตัญหาที่ประกอบด้วยอุเฉธททิฏฐิหรือความเชื่อว่าพบขาดศูนย์พุทธศาสนิกชนที่แท้จะไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนี้ตัญหาทั้งสามชนิดนี้ เกิดจากความไม่รู้ในอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะขาดการกำหนดรู้เวทนาดังนั้นเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดตัณหาและผลที่สืบเนื่องตามมาซึ่งได้แก่การเกิดใหม่และความทุกข์ทั้งมวลผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดรู้สภาวธรรมให้เห็นตามจริง